ขอนอบน้อมต่อคุณพระรัตนตรัยโอกาสหลวงพ่อคำเขียนเพื่อนสนับมิทุกท่านจเจริญธรรมแมทีและญาติธรทุกท่านเมื่อกี้เราก็ได้ส่วดนนะบทนะพระสูตรที่สำคัญที่สุดในพุทธศาสนานะก็คือทรรมาจักกับพระสูตรนะอันนี้การที่นะพระสูตรนี้มีความสำคัญอย่างไร นะก็คือเริ่มตั้งแต่ที่พระพุทธเจ้าได้ทรงตัดสู้ที่ปลายสิที่พุทธคยาหลายอย่างนั้นก็ทรงพิจารณาว่าผู้ใดที่เหมาะที่จะรับฟังธรรมะที่ลึกซึ้งเช่นนั้นนะก็ในขั้นแรกก็พิจารณาไปถึงนะอาลรระดาบทและอุทธกดาบท <c oughs> ประกวท่านก็ทราบว่าท่านทั้งสองก็ได้พึ่งจะมรณภาพไปนะ แล้วก็อุทานว่าชิมหายซะแล้วเพราะว่าทั้งสองทันนั้นได้ไปเกิดเป็นลูปพระพระมซึ่งลูปพระหมนี้จะมีอายุยืนยาวมากนะแม้แต่จะมีพระพุทธเจ้ามาตรัสรู้ อ, อีกอีกหลายองค์ก็ไม่มีโ อ, อกาสมาฟังธรทะก็เลยไม่มีโ อ, อกาสสำเร็จเป็นพระหรหันธ์ท่านก็เลยว่าเก็ถึงความชิ ม, ชมหายซะแล้ว <c oughs> เพราะนั้นบางท่านไปฝึกในอรูปฌานต่างๆก็ต้องระวังนะบางทีจะไปเกิดเป็นอรูปภพก็ไปค้างอยู่บนข้างบนนานก็ไม่ได้มีโอกาสที่จะฟังธรรมต่อมาก็ได้พิจารณาไปถึงปัญญวคีทั้งฮ่าก็เห็นว่าออสมควรจะไปแสดงให้ปัญญวคีฟังก็เดินทางไปที่ปายสีปนับมันฤทธขทยวั น, นในขณะนั้นที่เดินทางมาใหม่ๆปัญญวคีนี่ ก็มีอคติอยู่ในใจนะว่าพระพเจ้าวตอนนั้นที่ไปอยู่ด้วยก็ทรงอดอาหารนะจนร่างกายซูบผอมนะคิดว่าวิธีนี้เป็นทางที่จะตัดสลูได้แ น, น่นะอนก็มีความพอใจที่พระเจ้าอดอาหารจนขนาดนั้นถึงสี่สิบเก้าวันนะหลังจากพระเจ้าได้ทรงพิจารณาเห็นว่าเออหนทางนี้ไม่ใช่หนทางที่ถูกต้องนะเพราะเป็นทางที่ตึงเกินไป นะอดอาหารแล้วก็จะทำให้ขาดกําลังขาดสติปัญญาในการจะมาพิจารณาธรรมในการไปปฏิธรรมนะในร่างกายที่ อ, อ่อนแอเนี่ยคนเราไม่ได้รับประทานอาหารสองวันเราก็จะแย่แล้วเนา ะ, ะถ้าไปอดนานขนาด น, น, นั้นก็เป็นหนทางที่ไม่ถูกต้องแน่แต่ในขณะนั้นปัญญวคีมีความยึดติด ในการทรมานตนเองนะว่าวิธีทรมานตนเองนี่แหละจะได้พ้นทุกข์ได้หลังจากนั้นพระพุทธเจ้าได้ทรงพิจารณาว่าไม่ทางที่ถูกต้องก็หันกลับมารับประทานอาหารอีกแล้วก็สําเร็จเป็นพระพุทธเจ้าปัญญวิคีก็เห็นว่าอย่างนั้นก็เลยหนีมาหนีมาสัก่อนเพราะฉนั้นพระพุทธเจ้าเมื่อเดินทางมาเนี่ยปัญญวิคีก็มาบกลงกันว่า อันนี <c oughs> <c oughs> <c oughs> ้ท่านต้องไม่ใช่เป็นพระพุทธเจ้าแน่นอนเพราะว่าเป็นผู้ที่กลับมารับประทานอาหารอีกก็แสดงว่าไม่มีทางที่ได้เป็นแน่นอนในความคิดเป็นเช่นนั้นว่าเป็นผู้ที่กลับมาสู่ในทางที่ว่ามีความหิวกระหายมีความโลภมีความต้องการอาหารเหล่านั้นเป็นความที่พัะพุทคีไม่พอใจ นะก็เลยตั้งใจกันว่าตกลงกันว่าจะไม่ตอนรับพระพุทธเจ้านะมาก็ไม่จะไปไม่ปูผ้าให้นั่งไม่เอาน้ํามาถวายนะไม่เอาน้ำมาล้างเท้าให้แต่ว่าเมื่อพระพุทธเจ้าเดินทางมาถึงแล้วปจยคีก็ลืมข้อสัญญาที่ตกลงกันไว้ก็มาปฏิบัติเช่นเดิมพระพุทธเจ้าก็เลยอบอกว่าขณะนี้พระพุทธเจ้าเป็นพระพุทธเจ้าแล้วนะแต่ปัญยคีก็ไม่เชื่อ ท่านต้องยืนยันเองแล้วก็เคยล้วก็ถามว่าแต่เดิมมาเคยพูดเช่นนี้ไหมปัญญวคีกรนึกได้ว่าไม่เคยพูดเช่ น, นั้นว่าเป็นผู้เจ้าแล้วก็เลยยอมรับฟังธทำในคั้นแล้วพระเจ้าก็เลยแสดงธรรมธรรมจักรนี่แหละเป็นการแก้ทิฏฐิของปัญญวคีก่อนนะเพราะปัญญวคีก็มีความเชื่อในเรื่องการทรมานตนว่าทรมานแล้วเนี่ยเป็นหนทางในการพ้นทุกข์ แล้วในอินเดียในยุคนั้นก็มีความเชื่อยอย่างนึงว่าผู้ใดที่ปฏิบัติด้วยการมาสุขันในการวิโยค ก, ก็คือเสพสุขเต็มที่นะสเนะสพกรามเต็มที่ในรูปรสกลิ่นเสียงผดผาพธรรมลมเต็มที่แล้วเนี่ยจิตก็จะเกิดความเบื่อหน่ายในกิเลสแล้วก็จะพ้นทุกข์ได้นะเป็น2ประการเพราะนั้นในคั้นแรกพระเจ้าก็เลยทรงแสดงหนทางว่ามันเป็นสุดโต่งสองข้าง อข้างหนึ่งก็คือความตึงเกินไปก็คืออ่าก็คืออัตตากิมละมาฏฐานโยกนะคือการทรมานตนต่างๆเหล่านี้ก็เป็นหนทางที่ไม่ใช่ทางพ้นทุกข์อ่าการทรมานตนในยุคนั้นก็มีมากมายนะเช่นอ่าที่มีการยืนขาเดียวบ้างมองท้องฟ้ามองพระอาทิตนะหรืออ่าการอ่าขุดหลุมฝังตัวเองอ่าโผลมาตรสีสา นะการนั่งบนหนามนอนบนนหนามกัมมือจนเล็บทะลุหลังมือเป็นต้นนะว่าไม่ใช่หนทางแห่งความพ้นทุกขนะ์แล้วก็ผู้ที่นะติดในการมาสุ ข, ขาริการุโยคคือการเสพสุขเต็มที่ก็ไม่ใช่ทางพ้นทุกข์เหมือนกันนะแต่ก็ได้ทรงบอกว่าทางสายกลางนั่นเองเป็นทางพ้นทุกขนะ์ทางสายกลางก็ได้แก่กมรรคมงแปดนั่นเองนะนะนะแล้วหลังนั้นก็ได้ทรงบอกว่า หน้าคทางที่จะพ้นทุกนั้นมีอยู่นะในการที่เป็นไปตามอริยสัจสี่นะอริยสัจสี่นี้ถือว่าเป็นสิ่งที่สําคัญที่สุดในพุทธศาสนาเลยเนาะทั้งหมดนี้ <c oughs> ทั้งหมดนี้นะธรรมะทั้งหมดในอที่ในพุทธศาสนานี้สามารถสรุปลงในอริยสัจสี่ได้ทั้งหมดนะผู้ใดผู้ใดที่เข้าใจผู้ใดที่อได้ เข้าถึงพริยสัจสีนี้แล้วนะผนั้นถือว่ามีโอกาสที่จะเข้าถึงพนิพพานได้นะก็เริ่มจากทุกข์ก่อนนะได้ทรงชี้ในเหตุของทุกข์ทั้งหลายแหละนะว่าความทุกข์เป็นอย่างไรนะความทุกข์ก็คือความทุกข์ในความเกิดความแก่ความเจ็บความตายนี่แหละคือความทุกข์ คือคนเราเมื่อเกิดมาแล้วเราก็หนีไม่พ้นจากสิ่งเหล่านี้ล่ะหลอกนะเกิดมาแล้วก็ต้องแกลงต้องเจ็บต้องตายแน่นอนนะสำคัญว่าเราจะตายเมื่อไหร่เท่านั้นเองนะแล้วก็ความที่เราประสบความความล่ําไรลําพันธ์นะความที่เศร้าหมองของจิตทั้งหลายแหละนะความพิไรลําพันธ์ความทุกข์กายทุกใจเหล่านี้ก็เป็นความทุกข์นะ ความประสบกับสิ่งไม่รักก็เป็นทุกข์พัดผ้าจากสิ่งที่รักก็เป็นทุกข์ปรารถนาสิ่งใดไม่ได้สิ่งนั้นๆก็เป็นทุกข์ว่าโดยย่ออุปทานขันทั้งห้าเป็นตัวทุกข์นี่ยความทุกข์นี่เป็นสิ่งที่สําคัญมากนะที่ในขั้นแรกเลยจะต้องรู้จักทุกข์ให้ได้ก่อนแล้วก็สรุปว่าขันทั้งห้านี่แหละก็คือตัวทุกข์ขันทั้งห้าคืออะไรขันทั้งห้าก็คือกายและใจนั่นเองขันทั้งห้าก็มีรูปนรูปก็คือร่างกาย นะเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณก็คือนามนะหรือจิตใจนั่นเองนะก็คือกายและใจนี่แหละก็คือตัวทุกข์นั่นเองนะเวทนาก็คือนะความสุขความทุกข์หรือความเฉยเฉยสัญญาคือความจำได้หมายรู้นะสังขารคือความปรุงแต่งวนะิญญาณก็คือนะความรับรู้ในอายตนะทั้ง6กนะเทนตาเห็นรูปหูได้ยินเสียงจมูกได้กลิ่นลิ้นรู้รส กายกระทบเย็นร้อนอ่อนแข็งใจนึกคิด น, นี้ก็เรียกว่าอาวิญญาณธาตุนะที่ว่าสามารถรับรู้สิ่งต่างๆที่เกิดขึ้นในอาญาตนาทั้งหลายได้แล้วก็ส่งความรับรู้เหล่านั้นมาสู่ใจนะใจก็จะไปปรุงแต่งต่อเป็นความรักความชังแล้วก็ไปยึดติดเป็วทารต่อไปนะ <c oughs> เพราะฉะนั้นสิ่งเหล่านี้ก็คือความทุกข์นั่นเองนะในขั้นแรกนี้ก็ให้รู้จักความทุกข์ก่อน ว่าคนเราเนี่ยมีแต่ความทุกข์นะโดยสรุปก็คือรูปนามหรือขันห้าเนี่ยหละก็คือความทุกข์นั่นเองเพราะฉะนั้นกายและใจนี่ก็คือตัวทุกข์นั่นเองน ะ, ะกายและใจเนี่ยต้องดูให้ดีว่าคือตัวทุกข์ไม่ใช่ความสุขนะเพราะนั้นถ้าเราเข้าใจตรงนี้แล้วเราจึงมารู้ว่าเออเรามาปฏิบัติธรรมเพื่ออะไรนะก็เพื่อที่จะให้รู้ว่ากายและใจนี่คือความทุกข์นั่นเองเห็นให้ชัดๆเช่นนั้นเลยนะ แต่คนไม่ไปบัตธรรมนี่ส่วนหนึ่งก็เพราะว่าเขาไม่เห็นความทุกข์ในกายและใจเขาก็ไม่หาหนหนทางพ้นทุกข์นั่นเองต่อมาก็ได้ทรงชี้ว่าสาเหตุแห่งความทุกข์คืออะไรนะหรือสมุทยัยก็ทรงชี้ไปว่าก็คือยายังตันหานั่นเองนะคือตันหานี่แหละคือเหตุให้เกิดทุกข์ตันหามีอะไรยายังตันหาโปโนภวิกานันทิลาคัสากตา ตระตะต า, ต า, ต า, ตาพินันเทนีก็คือตัณหาอันเป็นเหตุให้นําให้มีการเกิดอีกคือความเพลิดเพลินอย่างยิ่งในสิ่งเหล่านี้คือเสยยทีทางกามตัณหาได้แก่กามตัณหานะก็คือความยินดีพอใจความเพลิดเพลินในรูปรสกลิ่นเสียงผดทพะธรรมลมนั่นเองนะคือกามตัณหาทวตตัณหา <c oughs> คือ ความอยากได้อยากมีอยากเป็นทั้งหลายเราอยากจะเป็นอะไรเราอยากก็ได้อะไรหรือเราอยากปฏิบัติธรรมเราอยากก็ได้อะไรอยา ก, กจะบรรลุอะไรก็เป็นตาการมาตัณหาทั้งหมดเลยนะเพราะนั้นเราปฏิบัติธรรมก็อย่าพึงไปหวังว่าเราจะต้องได้อะไรเหมือนก็ท่หลงพ่นเทียนก็บอกว่าอยา ก, ยากรู้อยากเห็นอยากเป็นอยากมีก็คือไม่ได้ปฏิบัติเพื่อตัณหาอยากจะได้ แต่ปฏิบัติด้วยชันทะก็คือความพอใจในการปฏิบัติก็พอแล้วเขาจะได้เขาจะมีเขาจะเป็นก็แล้วแต่เขานะไม่ได้ก็ไม่เป็นไรนี่แหละวางใจเช่นนี้เราก็จะได้ไม่ปฏิบัติด้วยตัณหานะแล้วตัวอา น, นิสามันคือวิภวตัณหาก็คือความไม่อยากได้ไม่อยากมีไม่อยากเป็ น, นก็คือการขับใสไล่ส่งอารมณ์ที่ไม่ดีทั้งหลายนะการที่เราผลักดันผลักใส ในในเสียงต่างในใจของเรานะการผักใสทั้งหมดนะก็เป็นวิภาวะตัณหาเช่นกันนะเช่นเรามีความโกรธเราก็ผักใสความโกรธนะไม่ต้องการมีความโกรธล้วก็ผักใส่เข้านะอันนี้ก็เป็นวิภาวะตัณหาเหมือนกันนะเพราะนั้นครูบาอาจารย์เขเลยบอกให้รู้เฉยๆนะมีความโกรธก็รู้เฉยๆนั่นแหละนะนะอันนี้เราก็จะได้ไม่ไปเจริญวิภาวะตัณหากัน เพราะนั้นก็เลยเราก็เลยรู้เข้าใจสาเหตุว่าสาเหตุความเกิดทุกข์คืออะไรนะก็คือความอยากได้เป็นส่วนใหญ่นะอยากได้นั่นอยากได้นี่พอเราไม่ได้ตั้งใจเราก็มีความทุกข์เกิดขึ้นมาเช่นเราอยากจะได้รถยนต์คันหนึ่งอยากจะได้มากแต่เราก็ยังไม่ได้สักครั้งหนึ่งเราก็มีความไม่พอใจเกิดขึ้นนั่นแหละ ความทุกข์ก็ตามมาก็ข้บความอยากได้ก็คือตัณหานั่นเองนะท่านจึงให้ละตัณหาเสียเนะมื่อละตัณหาแล้วี่ความอยากได้ต่างๆไม่มีแล้วนะความทุกข์ก็จะไม่มีไปด้วยนะคราวนี้เมื่ อ, อมเมื่อเรามีสมุทัยแล้วเนี่ยก็คือเหตุให้เกิดทุกข์แล้วเนี่ยเราจะทําอย่างไรต่อนะเราก็เข้าสู่นิโรธก็คือความดับทุกข์นั่นเองอคําว่านิโรธก็คือความดับทุกข์ นะทุกข์นิโรธก็คือดับทุกขนะ์คำว่านิโรธนี่แปลว่าดับทุกข์นิโรธก็ ค, คือความดับทุกขนะ์เพราะนั้นนิโรธนี่ก็อาจจะมีความหมายว่าพรนิพพานนะเพราะนั้นพรนิพพานก็คือความดับทุกขนะ์บางคนก็ไปตั้งใจว่าเออนิพพานอยู่ที่ไหนเราจะไปถึงพรนิพพานนะเป็นเมืองโน้นเมืองนี้เมืองสวรรคนะ์เมืองอะไรสักอย่างหนึ่งซึ่งเราไม่รู้อยู่ที่ตรงไหน แต่จริงๆแล้วนิพพานก็คือความดับทุกข์นั่นเองนะถ้าดับทุกข์ได้นั่นแหละเราก็ถึงซึ่งพระ น, นิพพานแล้วนะครั้นี้เราจะดับทุกข์ได้อย่างไรนะก็คือโยตัสสาเยวะตันหายะอเซ ส, สวิราคานิโรโทรจาโครปตินสโคมุตติอนารโยนะความดับทุกข์ก็คือการทําให้ดับไปโดยมืเหลือของตัณหานั่นเองนะได้กับวิราคะคือการจางคลายของตัณหาคือการคลายของตัณหานั่นเองนะ นิโรโทรคือการดับไม่เหลือของตันหาจาโคคือการสละออกของตันหาปดินสักโคคือการสละคือของตันหามุตติคือการปล่อยการวางของตันหาอนาระโยคือการทําให้ตันหาไม่มีที่อาศัยนะเพราะนั้นนิโรธก็คือการที่เราดับตันหาโดยไม่เหลือนั่นเองนะครันี้จะดับโดยวิธีอะไรนะก็โดยดับโดยวิธีมรตมีองค์แป ทุกสมุทัยนโลจนมรักนะมรักก็คือหนทางที่เราปฏิบัติเพื่อให้ถึงความดับทุกนั่นเองครา้ น, นี้มรักษมี8เนี่ยก็มีเริ่มด้วยสัมมาทิฏฐินะก็คือมีความเห็นชอบนะเราต้องมีความเห็นชอบให้ได้ก่อนความเห็นชอบคือไรนะความเห็นชอบนะก็มีอยู่หลายอย่างหลายประการมากนะแต่จริงๆแล้วก็คือให้เราเห็นตามความเป็นจริงว่า กายและใจนี่ก็คือความทุกข์นั่นเองนะมีความทุกข์ในกายและใจนี่แหละนะแล้วก็ให้มีความเข้าใจในเรื่องภพชาติในการเวียนว่ายตายเกิดด้วยนะแล้วก็ให้เข้าใจในเรื่องกฎแห่งกรรมเนะวลมีอยู่จริงนะทำบุญได้บุญทำบาปได้บาปจริงทั้งหลายเราเนี่ยอันนี้พอเราเข้าใจเช่นนี้แล้วเราก็จะได้ขวนขวาวในการปฏิบัติธรรมให้มากขึ้นนะแต่ถ้าผู้ใดที่ไม่เชื่อในเรื่องกฎแห่งกรรม ไม่เชื่อในเรื่องการเวียนวใใ่ายตายเกิดนะไม่เชื่อในเรื่องอความเป็นทุกข์ทั้งหลายแหละก็จะไม่หาวันทางนะที่จะพ้นทุกข์นะอันนี้ถือว่าเป็นอันตรายเป็นอย่างยิ่งนะเพราะว่าคนที่ไม่เชื่อในสิ่งเหล่านี้ก็จะทํากรรมได้มากมายมหาศาลนะอ่าสังคมทุกวันนี้นะที่มีความทุกข์ทุวันนี้ก็คนไม่ไม่เชื่อในเรื่องกฎแห่งกรรมทั้งหลายแหละนี่แหละก็เลยสร้างกรรมกันมากมายอนะ เพราะนั้นจึงเริ่มต้นด้วยสัมมาทิฏฐิให้ได้ก่อนมีความเห็นชอบก่อนนะหลังนั้นก็มีสัมมาสังกัปปะนมีความคิดที่ถูกต้องนะต้องคิดในทางที่ดีคิดในทางที่ถูกต้องคิดในทางพ้นทุกข์สัมมาวาจานะมีวาจาที่ดีนะไม่กล่าวร้ายไม่ไม่ว่ากล่าวใครไม่โกหกใครสัมมาอาชีโวนะมีอาชีพที่ดีนะอาชีพที่ ไม่ได้เป็นอาชีพที่อันตรายนะเช่นค้าขายยาเสพติดขายสิ่งต่างที่ไม่ถูกต้องนะอันนี้เป็นอาชีพที่ไม่ถูกต้องไม่ดีนะสามากัมมันโตมีการงานที่ดีนะเช่นเราทำการงานที่ถูกต้องแล้วก็ใช้ได้ทำการงานที่ผิดนะเช่นเป็นรักขโมยเป็นโจรสิง น, นี้ก็ทางานไม่ถูกต้องนี่เราก็ไม่มีทางพ้นทุกแน่นอ น, นสามาวายโม О เราต้องมีความเพียร ชอบนะเรามีความเพียรความเพียรนี่ไม่ใช่หมายหมายความว่าความเพียรในการปฏิบัติธรรมอย่างเดียวแต่เป็นความเพียรทุกๆอย่างนะความเพียรทุกอย่างนั่นแหละเราทํางานก็ต้องมีความขยันก็ชื่อว่ามีความเพียรไปปฏิบัติธรรมก็ต้องมีความเพียรเป็นต้นนะชีวิตเราจะได้มีความเจริญก้าวหน้าทั้งหมดนะสมาสติก็คือมีความระลึกชอบนะสมาสติจะมาฝึกก็นี่แหละให้เรามีความระลึกชอบ ความระลึกชอบคืออะไรนะระลึกชอบว่าขณะนี้เรากำลังทาอะไรอยู่นะขณะนี้เรานั่งรู้ไม่ว่ากำลังนั่งนะนอนรู้ไมมว่ากำลังนอนยืนกำลังรู้ว่ากำลังยืนนะ ansa. ยืนเดินนั่งนอนก็รู้ไปนะตามความเป็นจริงของร่างกายนะขยับไม้ขยับมือล้านะงหน้าแปรงฟันนะอันนี้เราก็รู้ไปนะอันนี้ชื่อว่าเราระลึกชอบนะเรามีความคิดเรารู้ว่าเราขณะนี้กลังคิด นะก็ชื่อว่าละลึกชอบนะมีความรักความโกรธความเกลียดก็รู้ว่าขณะนี้กําลังมีลมเหล่านั้นก็ชื่อว่าละลึกชอบเนะพราะการละลึกชอบก็ตรงข้ามกับความหลงความหลงก็คือความไม่รู้ว่าขนานี้กําลังทําอะไรอยู่กําลังคิดอะไรกําลังทําอะไรกําลังคิดอะไรก็คือไม่รู้กายไม่รู้ใจตามความเป็นจริงอันนี้เขาเรียกว่าหลงไปนะเพราะฉนั้นสัมมาสตินั้นเป็นข้อที่เราแก้ความหลงนะก็คือรู้เมื่อรู้แล้วก็ไม่หลงนั่นเองนะ แต่การหลงเนี่ยเราแก้ไม่ได้นะอาศัยเราต้องเพิ่มความรู้ให้มากขึ้นนะเมื่นก็น้ำเน่าเนี่ยแหละเราไปทำให้น้ำเน่าหมดไปไม่ได้หรอกแต่เราต้องเพิ่มน้ำดีไปเยอะเมื่อน้ำดีเยอะๆแล้วเนี่ยน้ำเน่าก็จะน้อยไปเองนะก็เมื่อเรามีความรู้มีตัวรู้มีความรู้สึกตัวมากๆนะมีการรู้เท่าทันากาย ใ, ใจมากๆความหลงก็จะน้อยไปเองนะอันนี้เป็นการแก้กันนะแก้จากหลงมาเป็นรู้นั่นเองนะ เปลี่ยนจากหลงมาเป็นรู้นี่แหละคือการที่เราเระลึกชอบนั่นเองต่อมาก็คือสัมมาสมาธิสัมมาสมาธิก็คือจิตตั้งมั่นชอบนะจิตตั้งมั่นอะไรจิตตั้งมั่นหมายความว่าไม่ใช่ว่าจิตตั้งมั่นว่าเรามีสมาธินาแน่วแน่นะแต่จิตตั้งมั่นหมายความว่าเรารู้เท่าทันอาการกายและจิตตามความเป็นจริงนะจิตไหลไปคิดอะไรนะ รู้ทันนะจิตหลงไปในอารมณ์ต่างๆรู้ทันนะกายเคลื่อนไหวรู้ทันทั้งหลายแหล่นะรู้ได้จิตที่เป็นกลางนะเนี่ยเาเรียกว่าจิตตั้งมั่นแล้วนะจิตตั้งมั่นชอบนะอ น, นีนี้นะเมื่อเราจเจริญด้วยมรรคเมียงแปดแล้วเนี่ยนะเราก็จะเข้าใจนะในสภาพความเจริงว่านะรูปนะก็ ค, คือกายนะใจคือนามนะก็ ค, คือกายและใจนี้มีแต่ความไม่เที่ยงถนะ้เป็นทุกข์ เป็นนรตาบังคับบัญชาไม่ได้ทั้งหมดนะเราจะเข้าใจในตรงนั้นได้เลยนะความคิดก็ก็ทํางานเขาทั้งวันแล้วก็เห็นเออเราไม่ได้คิดนะแต่จิตเขาทำงานเขาคิดเขาเองนะความโกรธความเกลียดความรักความชังทั้งหลายและก็เกิดตามเหตุตามปัจจัยนเะมื่อมีเหตุเขาก็เกิดเมื่อบดเหตุเขาก็ดับไปอ่านะเห็นสภาพ ว, ว่าความเกิดความดับของปัจจัยนะในสิ่งต่างเหล่านั้นนะไม่ใช่ตัวเราไม่ใช่ตัวเมตตนของเรานะเข้ามาตามเหตุ แล้วเข้าไปตามเหตุทุกอย่างเป็นไปตามเหตุตามปัจจัยไม่เหตุหตัวเม่ต น, นะคือการปฏิบัติธรรมการเจริญสติเราจะเห็นพวกนี้ได้ชัดเจนได้บ่อยมากนะเช่นความคิดเนีย่ยเห็นคิดทั้งวันนะก็คิดตามเหตุตามปัจจัยนะเราไม่ได้อยากคิดก็คิดก็เ อ, เองนะเราไปฏิบัติธรรมแล้วเนี่ยมันก็ไม่เที่ยงนะเมื่อวานปฏิบัติดีวันนี้ปฏิบัติไม่ดีนี่ก็เป็นไปตามเหตุตามปัจจัยนะอารมณ์ต่างๆชอบชังก็เป็นไปตามเหตุตามปัจจัยเหมือนกัน เห็นส <emás>. <altung> well. ิ่งเหล่านี้บ่อยๆเห็นซ้ําๆำัากซากจนจิตเข้าใจเลยว่าเออมันมีแต่ความไม่เที่ยงเป็นทุกข์บังคับบัญชาไม่ได้นะจิตก็เกิดความเบื่อหน่ายคลายกำนัดนะเพราะว่ามันไม่ใช่เป็นสาระกานสารเข้ามาแล้วก็ไปนะไม่ใช่ตัวเมโตนบังคับบัญชาไม่ได้จริงจิตก็เลยเกิดความวิลาคะก็คือเกิดความคลายออกจากความยึดติดในขันหนี้นะ คำววิลาคะนั่นก็คื อ, อนิโรดนั่นเองนะอาศัยสาวิลาคะนิโรโทรก็คือเข้าสู่วิลาคะเมื่อจิตเกิดการคลายจากความยึดติดในขันธ์หว่าเป็นแค่รูปแค่นามนะเป็นแค่รูปแค่นามไม่ใช่ตัวเมตตุของเราแล้วนะจิตก็จะเกิดความาเข้าถึงความพ้นทุกขนะ์ก็คือนิโรโทรก็คือความดับไม่เหลือของตัณหานั่นเองเนะาะเพราะฉงการที่เราไปบัตธรรมก็เพื่อให้เราเข้าถึงนิโรธแต่การเข้าถึงโลกก็คือเราเห็นพระไตรลักษ ในความเป็นนิจังลูกค้านั้นอนัตตานั่นแหละจิตก็เกิดความเบื่อหน่ายเมื่อเบื่อหน่ายก็คลายกำหนัดเมื่อคลายกำหนัดจิตก็หลุดพ้นนะในตรงนั้นนะเพราะว่าเราเข้าใจความจริงในความที่ว่าเป็นแค่รูปแค่นามเท่านั้นเองนะนี่ก็คือหนทางาแห่งความพ้นทุกข์ก็อยู่ตรงนี้นะครั้นี้นะก็คือจิตจิตในลิขัตสี่นี้เราต้องทําอย่างไรนะจิตในลิขัตสี่ก็ว่า ทุกเนี่ยเป็นสิ่งเราต้องรู้นะเมื่อกี้เราก็สวดมาแล้วทุกก็คือปรินญาเราต้องรู้ในทุกขเราไม่มีหน้าที่ละทุกแต่ให้เรารู้จักทุกข์เท่านั้นเองทุกก็เกิดมาจากการที่เรารับรู้อารมณ์ต่างๆนะในกายในใจเนี่ยมีความทุกในใจอารมณ์ต่างๆที่ปรากฏขึ้นในใจเราทุกอย่างคือความทุกขหมดนะแม้แต่ความยินดีก็ยังเป็นความทุกเลยไม่ใช่ว่าความยินร้ายเป็นความทุก ความยินร้ายก็มีมากมายนะความโกรธความเกลียดความหึงหวงความกลัวความเหงาความเครียดทั้งหลายเหล่านี้นะเป็นความทุกข์ทั้งหมดเป็นความยินร้ายแต่ความยินดีนะความพอใจความรักความที่เรามีจิตที่เราอยากจะได้อะไรต่างๆเหล่านี้เป็นความยินดีสิ่งเหล่านี้ก็เป็นความทุกข์อีกเพราะว่าเป็นความไม่เที่ยงทั้งหมดนะ มันจึงเป็นว่า อ, อ, อารมณ์ทั้งหลายไม่ว่าจะดี จ, จะร้ายนั่นแหละเป็นความทุกข์ทั้งหมดน ะ, น ะ, ะเพราะฉะนั้นเราต้องรู้จักนะว่าความทุกข์คืออะไรถ้าเราไม่รู้จักความทุกข์เราก็จะความทุกข์ไม่ได้นะ <c oughs> มีคนมาชมเราเรายินดีเราพอใจนั่นแหละเราไม่รู้ว่าเรากําลังทุกข์แล้วนะเราจึงต้องรู้ว่าเออเข้ามาชมเราเรายินดีเราก็มีความทุกข์ในตรงนั้นเกิดขึ้นแล้วนะเพราะว่าทุกอย่าง ม, มันมีแต่ความไม่เที่ยงทั้งนั้น เพราะนั้นความทุกข์ก็คือเราต้องรู้จักว่าความทุกข์คืออะไรต่อมาสมุ ท, ทยัยสมุทัยเป็นสิง่งเราต้องละก็คือความละต้องละในกามตัณหาละในภาวะตัณหาความอยากได้อยากมีอยากเป็นละในวิภาวะตัณหาก็คือความไม่อยากได้ไม่อยากมีไม่อยากเป็นก็คือต้องละทั้งหมดนะใจก็เป็นกลางๆแค่รู้เฉยๆก็พอแล้ว oh ไม่ต่อยผักใสเข้าไม่ต้องไปติดกับเขานี่แหละ มาเป็นการที่ไม่เจริญในภาวะตัณหาและวิภาวะตัณหาได้ในตัวนิโรธคือความดับทุกข์ก็ต้องทําให้แจ้งขึ้นมานะต้องทําให้แจ้งขึ้นม า, ม, ามักเมียงแปดก็ต้องทําให้เกิดขึ้นมานะเราก็มาเจริญม m a k นี่นนแหละก็ทํามักให้เกิดก็คือทําให้เกิดสติทําให้เกิดศีลสติสมาธิปัญญาให้เกิดขึ้นในใจของเราให้ได้ในตรงนี้ที่เราได้ปฏิบัติในมักเมียงแปดแล้วนะ เมื่อเราทำได้ครบทั้ง4อย่างก็ชื่อว่าเราได้เจริญอริยสัจสี่คือทุกเป็นสิ่งต้องรู้สมุทัยเป็นสิ่งต้องละโลภเป็นสิ่งต้องทําให้แจ้งมรรคเป็นสิ่งต้องทําให้เกิดนี่แหละพอเราทําสิ่งเหล่านี้ได้ปั๊บเนี่ยชื่อว่าเราเดินในหนทางแห่งพระาศาสนาเดินในหนทางความพ้นทุกข์ได้ถูกต้องแล้วส่วนเมื่อเราเดินแล้วขยันพ้นทุกข์หรือไม่พ้นทุกข์ก็ไม่เป็นไรก็ชื่อว่าเราเดินแล้วแต่การเดินนั้นนะไม่เชื่อมันไม่ได้อะไรนะมันต้องได้อะไรสักอย่างหนึ่งแต่่เรราไมู้นะ แต่ความที่เราได้มันเป็นการค่อยๆเปลี่ยนแปลงจิตใ จ, จเราโดยที่เราไม่รู้ตัวนะไม่ใช่ว่าเราเราจะต้องบรรลุธรรมทนันทีนะแต่เป็นการที่เรียกว่าเราค่อยๆละกิเลสทั้งหลายรู้เท่าทันกิเลสทั้งหลายไปนะกิเลสก็จะน้อยไปเองนะกิเลสนั้นเกิดจากการเรารู้เท่าทันแล้วเขาก็จะน้อยลงนะเพราะนั่นการที่เรามาเจริญสติก็คือเรารู้เท่าทันกิเลสนั่นเองนะเราไม่ต้องไปคอยละเขาหรอกแต่การที่เรารู้กิเลสนั่นแหละก็คือเรารู้ทุกแล้ว เพราะกิเลสทั้งหลายก็คือทุกนั่นเองเพราะฉะนั้นการที่เราเจริญสติก็คือเรารู้ความทุกข์บ่อยๆที่เกิดในใจของเรานั่นแหละความรักความชังความเกลียดความโกรธความเหงาความเครียดทั้งหลายเหล่านี้ก็คือความทุกข์ทั้งหมดเลยก็แค่ให้เรารู้บ่อยๆการที่เราจะรู้บ่อยๆก็คือเราเจริญสติรู้เท่าทันกายรู้เท่าทันใจมีจิตตั้งมั่นเป็นผู้ดูเป็นผู้รู้เป็นผู้เห็นไม่เป็นผู้เป็นเห็นแต่ไม่เป็นนั่นแหละนะหลวมพ่อคำเขียนก็บอกว่า ให้เห็นได้ไม่เป็นนะก็คือเป็นผู้ดูไม่เป็นผู้เป็นนะพอเราเป็นผู้ดูปั๊บเราก็จะเห็นว่าเออความทุกข์ในใจเรามันก็เกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ดับไปธรรมดานะเราไม่ได้เป็นผู้เป็นแบบสมัยก่อนแล้วสมัยก่อนเราก็เป็นผู้เป็นเป็นผู้โกรธผู้เครียดผู้รักผู้ชังอันนี้เป็นผู้เป็นแต่พอเรามาปฏิบัติทาได้ถูกต้องมีสติเราจะเห็นว่าเออเราแค่เป็นผู้ดูเท่านั้นเองนะ ความรักความเกลียดความโกรธก็เป็นสิ่งเราเราเห็นเขาเราไม่ได้เป็นมาสมัยก่อนแล้วนะมันก็ต่างกันพอเป็นผู้เป็นปั๊บกิเลสทั้งหลายมันก็ดับไปทันทีนะดับไปเองเลยเราไม่ได้ไละเขาหรอกพอเราดูปั๊บเนี่ยเขาดับไปเลยดูใยใจเป็นกลางดูเฉยๆรู้เฉยๆนะเขาดับหมดนะเนี่ยจิตก็จะตั้งมันไปเรื่อยๆเป็นผู้ดูผู้เห็นไปกิเลสทั้งหลายก็ตั้งอยู่ในใจเราไม่ได้น ะ, ะตรงนี้นะมันเป็นการที่เรียกว่าเราละอนุใสไปในตัว นะเพราะความโกรธความรักความชังอันนั้นคขือ่อนุสัยเก่าที่เรามีอยู่แล้วแต่เมื่อเราทําให้เขาไม่เกิดขึ้นไม่เจริญต่อไปนะในสุดเขาก็จะค่อยๆน้อยลงและในสุดเขาก็หมดไปนะเพราะเหตุที่เรารู้เท่าทันอารมณ์ทั้งหลายนั่นเองนะนะเพราะฉะนั้นหนทางแห่งการพ้นทุกข์ก็คือนะเริ่มต้นด้วยศีลนะสติสมาธิปัญญาแล้วนั่นแหละคือหนทางความพ้นทุกข์ที่แท้จริงนะเพราะในในสุดท้ายนี้ขอขอรัตนาบา ร, รมีคุณร า, รารมีไตรัย มาน้อมนำให้ทุกท่านจเจริญด้วยศีลสติสมาธิปัญญาและถึงซึ่งความพ้นทุกข์ได้โดยเร็วพันธุกท่านเทิน